กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับดิฉันวัชรินทร์คณชาในะรายการเป็นเรื่องเป็นราวทุกวันอาทิตย์เวลา18บแนาฬินาทีไปจนถึงเวลา19บเนาฬิกาโดยประมาณนะคะเรื่องราวดีๆที่อยากจะหยิบมาฝากกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจในการที่จะเริ่มต้นการทํางานในสัปดาห์ใหม่ได้นะคะโดยในช่วงแรกจะเป็น ช่วงอยากเล่าค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเก็บเอามาคิดประยุกนำมาประยุกตใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ได้พูดถึงในเหตุการณ์ในต่างประเทศในเรื่องของออสถานการณ์การแบนถุงพลาสติกความตื่นตัวหรือการสร้างแรงจูงใจให้ อ, อ ประชากรในแต่ละประเทศนั้นให้ความร่วมมือในมาตรการของการลดลาเลิกการใช้ถุงพลาสติกไปวันนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็ต้องตั้งใจฟังทีเดียวนะคะเป็นงานวิจัยขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะเป็นเรื่องของไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวคือมันเป็นเพียงแค่บรรจุภัณฑ์ที่เราถือไปถือมาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะวันนี้ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในอาหาร มันเข้าร่างกายเราได้ด้วยนะคะมาฟังค่ะว่าไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยมันคืออะไรและมันเอ่อเมื่อมันเข้ามาในร่างกายเราอย่างไรและมันจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเรานะคะไมโครพลาสติกเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าคือพลาสติกขนาดจิวะะ๋วเลยค่ะพบว่าในร่างกายคนเราเนี่ยมีไมโครพลาสติกเนี่ยปนเปื้อนกว่าหมื่นชิ้นซึ่งมันน่าจะส่งผลต่อสุขภาพไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรายงานจาก มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลประเทศออสเตรเลียพบว่าคนทั่วโลกบริโภคไมโครพลาสติกไปพร้อมกับอาหารเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งอากาศเข้าสู่ร่างกายประมาณปริมาณนะคะ 2, หน่วยต่อสัปดาห์นะคะโดยทีมวิจัยเนี่ยได้เก็บหอยนางรมนะคะหอยฝาเดียวรวมถึงเพรียงจากทะเลบริเวณต่างๆมาศึกษาพบว่าตัวอย่างสัตว์ทะเลที่เก็บมามากกว่า 90% มีการปนเปื้อนกับไมโครพลาสติก สิ่งที่น่าห่วงก็คือถ้าตกคั้งภายในร่างกายแล้วก็ไมโครพลาสติกเนี่ยมีการแตกตัวเล็กลงจากไมโครเมตรเป็นนาโนเมตรหรือพิโคเมตรหรือเล็กเท่ากับแบคที ria หรือไวรัสแล้วเนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปในเส้นเลือดได้ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข่าวไปว่ามนุษย์กำลังกินพลาสติกหนักราว5ากรัมซึ่งมีความใกล้เคียงกับน้ำหนักของบัตรเครดิตทุกสัปดาห์หรือราว2ี 21, 21 21กรัมต่อเดือนแล้วก็รวมต่อปีนี่คือ250กรัมต่อปีนะคะฟังตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจค่ะมาฟังต่อโดยตัวเลขนี้เนี่ยก็จะผันแปรไปตามประเภทอาหารที่เรารับประทานก็จะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะจากรายงานของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียเนี่ยพบว่าผู้คนทั่วโลกบริโภคไมโครพลาสติกที่มาพร้อมกับอาหารเครื่องดื่มนะคะโดยมันสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ รองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุชนาชวนิดนะคะภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการคำนวณการกินอาหารต่างๆเพราะว่าโดยเฉลี่ยคนเราจะมีไมโครพลาสติกอยู่ในกระเพาะอาหารมากกว่า1 -0,000 หมื่นชิ้นนะคะโดยการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหารและมนุษย์เนี่ยโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียเนี่ยก็ทาการทดลองโดยการนาเอาอุจจาระของผู้ร่วมการทดลอง 8คนจาก8ประเทศนะคะอย่างออสเตรียอิตาลีฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ญี่ปุ่นรัสเซียแล้วก็สหรัฐอาณาจักรมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการผู้ร่วมทดลองเนี่ยไม่มีใครเป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็มี6คนที่ทานปลาทะเลผลที่ได้ก็คือตรวจเจอไมโครพลาสติกจากอุจาอจาระของผู้ที่ร่วมการทดลองทุกรายค่ะโดยไมโครพลาสติกที่พบเนี่ยมีตั้งแต่พอลิเอทิลีนเทลลิธาเลตนะคะซึ่งใช้ทําขวดน้ําดื่ม Poly, Poly p o p ีโพลิพอทิปใช้ทำถุงร้อนแล้วก็พลาสติกบรรจุอาหารไปจนถึงโพลีไวนิลค o อ i ี e หรือว่า PVC ก็จะเป็นพวกฟิล์มห่ออาหารนะคะโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าแต่ละ10กรัมของอุจจระจะเจออนุภาคของไมโครพลาสติกจำนวน20ชิ้นฟังดูแล้วตกใจไหมคะตกใจคะ่ะแต่ว่าไม่ต้อง ต, ออ ต, องตื่นตื่นตะนกนะคะโดยดูเหมือนว่าไ ม, ไมโครพลาสติก เหล่านี้เนี่ยใกล้ตัวเราเข้าไปทุกทีนะคะไมโครพลาสติกคืออะไรก็คือชิ้นส่วนพลาสติกขนาดที่เล็กมาก ที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะก็จะเข้าไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมคำนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นพลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งเฉพาะนะคะแต่จะหมายถึงเศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลิเมตรตามนิยามของสำนักงานบริหารบรรยากาศและก็มหาสมุทรแห่งชาติจารัฐนะคะไมโครพลาสติกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือ primary, ไพมารีไครพลาสติกซึ่งถูกผลิต โดยตรงจากโรงงานตามวัตถุประสงค์การใช้งานเช่นพวกไมโครโบีดในโฟมล้างหน้านะคะเครื่องสำอางสครับผิวห ร, ห, ร ห, ร ห, รหรือว่ายาสีฟันนะคะอีกประเภทนึงก็คือ secondary m i โครพลาสติกก็จะเกิดจากการที่พลาสติกขนาดใหญ่แตกหักหรือว่าผุกร่อนจากคลื่นแสงอาทิตย์หรือว่าแรงบีบอัด จ, จนกลายเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใน แม้กระทั่งในกลุ่มพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ที่มีการโปรโมทขึ้นมาเพื่อที่จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไม่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง500ปีแล้วนะก็พบว่าสามารถเป็นไมโครพลาสติกได้ด้วยเพราะว่าเจ้าพลาสติกชีวภาพเหล่านี้เนี่ยที่บอกว่าย่อยสลายได้เนี่ยย่อยสลายได้จริงค่ะแต่ย่อยสลายเมื่ออยู่บนบกเท่านั้นเพราะว่าบนบกเนี่ยมีแบคทีเ r ียแล้วก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะเป็นปัใจจัยในการช่วยย่อยสลายนะคะแต่พอลงไปทะเ ล, ะเลปุ๊บเนี่ย ในทะเลไม่มีแบคทีรียในชนิดนั้นนะคะแล้วก็อุณหภูมิของน้ำทะเลก็ไม่ได้สูงจนสามารถที่จะย่อยพลาสติกเหล่านี้ได้พอตกลงไปในทะเลถูกแสงแดดพลาสติกพลาสติกก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะเล็กเกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็นเรียกว่าเป็นไมโครพลาสติก แล้วถ้ามันปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ําลําทานทะเลมหาสมุทรไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะไม่เพียงต่อส่งผลต่อระบบนิเวศแต่ยังจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารโดยผ่านสัตว์ทะเลนะคะก็จะกลับมาเข้าสู่ร่างกายมนุษย์อีกทีหนึ่งนะคะโดยรองศาสตรจาจารย์ดรสุชนาแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เริ่มต้นวิจัยศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกตั้งแต่ปี2017โดยสํารวจสัตว์ทะเลประเภทหอยพบว่ามีการสะสมไมโครพลาสติกอยู่ด้วย มีการเก็บตัวอย่างของหอยนางรมฝาเดียวแล้วก็เพลียงทะเลบริเวณต่างๆมาศึกษาพบว่าสัตว์ทะเลเหล่านี้เนี่ยเก็บมาเก้าสซมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ค, ค่ะในการวิจัยก็มีการจําแนกด้วยว่าไอ้ไมโครพลาสติกที่พบเนี่ยเป็นชนิดใดอะไรบ้างปรากฏว่าชนิดที่เป็นของไมโครพลาสติกที่สัตว์ทะเลในแต่ละบริเวณจะเก็บขึ้นมาก็จะเป็นสอดคล้องกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมของระบบนิเวศใน บริบทนั้นเช่นแถวนั้นมีการใช้อวนลากนะคะแถวนั้นมีการใช้พลาสติกชนิดไหนนะคะหอยที่เก็บมาก็จะเป็นพวกไนลอนก็จะมีการทำประมงเยอะมีอวนเยอะซึ่งอวนก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดไมโครพลาสติกแล้วก็ถือว่าบริเวณที่เก็บไปไปเก็บหอยเนี่ยถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะพบไมโครพลาสติกที่เป็น PVC ที่มาจากขวดน้ำแก้วพลาสติก เยอะมากนะคะนั่นคือบริบทที่มนุษย์ไปทํากิจกรรมทิ้งไว้ท่านี้มันส่งผลยังไงต่อภาพรวมนะคะปริมาณมหาศาลของพลาสติกที่ไหลลงทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยมันไปสะสมกันมันเป็นเพราะว่าระบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกล้มเหลวขยะเหล่านี้ก็ไปลคะค่ะลงน้ําลงลำคลองออกทะเลออกมหาสมุทรภาพของสัตว์ทะเลที่กินพลาสติกอย่างไม่ตั้งใจจะเป็นเต่าทะเลหรือเป็นวานเนี่ยรวมไปถึงซาก ข, ของพวกมันในท้องก็จะเต็มไปด้วยขยะพลาสติก เป็นหลักฐานที่ปรากฏชัดถึงสัญญาณอันตรายของระบบนิเวศนะคะไมโครพลาสติกเป็นภัยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็เป็นภัยร้ายแรงที่จะกลับเข้ามาสู่ระบบนิเวศของเราเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ทะเลที่เป็นพวกกรองกินนะคะก็คือกรองกรองแล้วก็ใช้ชีวิตโดยการกรองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระย่อยอาหารนะคะโอกาสที่จะกรองกินไมโครพลาสติกเข้าไปสูงซึ่งปะการังก็มีเหมือนกันพบว่าหนึ่งโพลิ ของปรกการังจะมีไมโครพลาสติกหนึ่งอันเพราะฉะนั้นตัวปรกการังหนึ่งตัวที่มีโพลิป100ถึง 1,000 พโพลิปก็มีโอกาสที่จะเจอไมโครพลาสติกเป็นร100้อยเป็นพันไมโครพลาสติกเหมือนกันก็จะส่งผลให้เป็นพิษแล้วก็เกิดการฟอกขาวง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเองในเวลาที่เรา ใช้บรรจุภันธุ์หรือได้รับความสะดวกสบายจากบรรจุภันณฑ์ที่เป็นพลาสติกขอให้ย้อนนึกถึงระบบนิเวศนิดนึงว่าวันนี้เราเองนั้นลดการใช้ถุงพลาสติกลงไปมากน้อยแล้วเท่าไหร่อย่างไรนะคะพอมันเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศแล้วเนี่ยมันจะกลับมาสู่ร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เราเอง ต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ร่วมมือในการที่จะใช้ถุงพลาสติกต้องต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะคะเวลาเราน้อยไปนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงแรกเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาช่วงหน้าในช่วงอยากรู้ดิฉันมีเรื่องเล่าดีๆจากทั่วโลกมาฝากกันค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะในช่วงอยากรู้สําหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่อยากจะฝากความคิดเห็นติชมรายการหรือว่าฝากข้อมูลฝากเรื่องเล่าสามารถฝากได้ที่เพจ เ, เล่าเป็นเรื่องของออดิฉันวัชรินคัณธชานะคะที่นั่น สามารถบอกได้เลยนะคะอยากจะเอาให้เอาเรื่องเล่าเรื่องไหนหรืออยากจะให้เล่าเรื่องไหนฝากกันทิ้งไว้ได้นะคะช่วงอยากรู้นี้เป็นเรื่องออในช่วงของช่วงที่ผ่านมามีการพูดกันเยอะมากเกี่ยวกับการใช้ภาษาถิ่นในการที่จะอภิปรายในสภานะคะก็ไปเห็นงานเขียนงานรวบรวมข้อมูลของจุดประกายของกรุงเทพธุรกิจก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังว่าใน ต่างประเทศในหลายๆประเทศหรือแม้แต่ในสภาในหลายๆที่นะคะอย่างสภาของรัฐสภาของสาภาพยุโรปหรือยูนาเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องของการใช้ภาษาถิ่นในการอภาาิปรายอย่างไรบ้างนะคะตัวอย่างที่พูดถึงสภาที่เปิดกว้างให้มีการใช้ภาษาถิ่นในการอภาาิปราย อย่างสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu เนี่ยเป็นการประชุมที่มีการใช้ภาษาที่หลากหลายมากที่สุดก็คือใช้มากถึง24ภาษาในการประชุมสภายุโรปนะคะแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีจำนวนล่ามแปลสดอยู่ประมาณ700ถึง900คนจะจัดสรรงบประมาณประมาณ 1,000 ล้านยูโรต่อปีนะคะในการที่จะให้มีล่ามเหล่านี้คอยแปลแบบ เรียวไทม์ตลอดเวลาหรือแม้แต่ในสเปนที่มีภาษาราชการเพียงภาษาเดียวในสภาแต่ว่าสสคนไหนพูดภาษาถิ่นหรือภาษาพื้นเมืองก็จะถูกเตือนโดยประธานสภานะคะอันนี้เป็นความหลากหลายนะคะสังคมผหุภาษาหรือวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสังคมแห่งความหลากหลายทั้งด้านภาษ า, าศาสนาะและวัฒนธรรมแต่สังคมผูุภาษา สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ตรงที่ว่ายอมรับซึ่งกันและกันนะคะรัฐสภาของสาภาพยุโรปหรือว่าอยุหน้าเนี่ยจะมีการประชุมที่มีการใช้ภาษาหลากหลายมากที่สุดเพราะว่าเอียยุยึดหลักการผูุภาษาผหุวัฒนธรรมที่เคารพความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองนะคะ สาภาพยุโรปเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด28ประเทศแล้วก็มีภาษาราชการที่ใช้อยู่ทั้งหมด24ภาษาก็มีเยอรมันฝรั่งเศสดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะคะอิตาลีอังกฤษเดนมาร์กกรีซสเปนโปรตุเกสฟินแลนด์สวีเดนเอสโตเนียฮังการีลัตเวียลิทัวเนียมอนตาโปรแลนด์เช็ค สโลวาเกียสโลวีเนียโรมาเนียบัลแกเรียออลรนและก็โครเอเชียนะคะก็หมายความว่าพลเมืองพลเมืองของทุกชาติสมาชิกก็จะมีรวมๆแล้วเนี่ยใน28ประเทศก็ประมาณ500ล้านคนก็จะสามารถเข้าถึงและก็เข้าใจกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบต่อพวกเขาได้แบบถ่องแท้เลยพวกเขาสามารถที่จะยื่นคำร้องหรือขอข้อมูลเป็นภาษาราชการใดก็ได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามการอภิปรายของ และทัสภายุโรปเนี่ยผ่านทางออนไลน์ในภาษาที่ตัวเองเข้าใจได้เลยนะคะในส่วนของสมาชิกสภายุโรป ก็เหมือนกันแต่ละคนก็มีสิทธิที่จะเลือกใช้ภาษาราชการที่ตัวเองถนัดสำหรับการอภิปรายในที่ประชุมคำอภิปรายของเขาก็ถ้าเกิดเขาใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งก็จะถูกถอดความออกเป็นภาษาอื่นอื่นอีก23ภาษาทันทีหรือที่เรียกว่าแปลแบบฉับพันนะคะนอกจากนี้เอกสารต่างๆที่ใช้ในสภายุโรปหรือว่ากฎหมายที่ออกโดยสภายุโรปก็จะถูกแปลเป็นภาษาราชการของทุกประเทศสมาชิก รัฐสภายุโรปมีทีมแปลภาษาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งค่ะโดยตั้งเป็นแผนกงานบริการด้านการแปลโดยเฉพาะโดยจะเป็นร่ามโดยจะเป็นล่ามใน ร, รัฐสภายุโรปต้องผ่านการอบรม เป็นการเฉพาะเพราะการแปลคําอภิปรายที่เป็นคําเฉพาะทางกฎหมายจําเป็นต้องใช้ทักษะสูงนะคะแค่ภาษากฎหมายอ่านเป็นภาษาไทยก็ยังต้องใช้ทักษะสูงแล้วเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างดีนะคะในสภ า, าจะมีล่ามอยู่2ประเภทก็คือล่ามที่แปลคําอภิปรายสดๆหรือถอดข้อความไปยังภาษาเป้าหมายในขณะที่ผู้พูดกําลังพูดแล้วก็นักแปลเอกสารค่ะ โดยทั่วไปแล้วล่ามแต่ละคนจะแปลภาษาแม่ของตัวเอง EU จะมีภาษาราชการ24ภาษาแต่จำนวนภาษาที่ต้องแปลจริงๆอาจจะมีมากถึง552ภาษานะคะบางครั้งล่ามก็จะต้องใช้ระบบถ่ายทอดภาษาโดยแปลคำอภิปรายครั้งแรกเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดอย่างเช่นพูดครั้งแรกอาจจะเป็นอังกฤษเป็นฝ ร, รั่งเศสหรือเป็นเยอรมันหลังจากนั้นก็จะแปลเป็นภาษาอื่นตามมานะคะ ในห้องประชุมสภาก็จะมีตู้ล่ามที่ติดตั้งเครื่องป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกทั้งหมด24ตู้สำหรับ24ภาษาล่ามแต่ละคนก็จะทำหน้าที่แปลคำอภิปรายแบบสดสดส่วนสมาชิกสภาก็จะฟังเสียงจากหูฟังอยู่บนโต๊ะตัวเองนะคะ รัฐถาสภายุโรปมีพนักงานล่ามประจำที่แปลคำอภิปรายสดๆยอยู่ประมาณ270คนแล้วก็จะมีล่ามสำรองจากภายนอกมากกว่า 1,500 คนนี่เป็นทีมทำงานขนาดมหาศาลเลยนะคะแค่การอภิปรายหรือการแปลยัติกฎหมายสักเรื่องหนึ่งเนี่ยจะมีคนที่เกี่ยวข้องมหาศาลเลยทีเดียวในการประชุมแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะใช้ล่ามแปลสดอยู่ที่ประมาณ 700-900 คน ส่วนพนักงานแปลเอกสารมีอีก600คนค่ะงานแปลเอกสารก็จะประมาณ1้0ยละ30จะจ้างนักแปลอิสระงบประมาณที่ใช้ในการแปลทั้ง2ประเภทคิดเป็นมากกว่า1ใน3ของงบสภ า, าทั้งหมดหรือสูงกว่า 1,000 ล้านยูโรต่อปีแล้วก็คิดเป็น 2.3 ยูโรต่อประชากร1คนนะคะมาดูทางฝั่งเอเชียบ้างสำหรับสภ า, าที่อนุญาตให้การใช้มีการใช้ภาษาท้องถิ่นในที่ประชุมนะคะก็คงจะไม่มี สภาไหนาวุ่นวายเท่าประเทศอินเดียนะคะภาพที่เห็นคุณตาก็จะมีการตะโกนใช้ภาษามากกว่า20ภาษาตะโกนใส่กันนะคะถือว่าตะโกนไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่เข้าใจแต่เราสบายใจอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะอินเดียเป็นประเทศหนึ่งค่ะที่มีความหลากหลายในเชิงอารักรรมและวัฒ น, ฒนธรรมสูงมากค่ะมีประชากรก็ตอนนี้ก็คู่ขี้สูสีดูดีเบียดไหลามากกับจีนนะคะก็คือพันสองล้านคนมีภาษาพูดมากกว่าร้อภาษาแล้วก็มีภาษาราชการ 22ภาษา22ภาษานะคะรวมถึงภาษาฮินดีนะคะที่เป็นภาษาประจำชาติแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยความหลากหลายนี้เองนะคะสสอินเดีย in จึงได้รับอนุญาตให้พูดภาษาถิ่นของตัวเองในจำนวน22ภาษานะคะแม้จะมีมีภาษาพูดมากกว่าร้อยภาษาแต่อนุญาตให้พูดได้แค่22ภาษาในสภาเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ติดตามการอภิปรายทางโทรทัศน์เข้าใจมากขึ้นแต่สสที่ประสงค์จะพูดภาษาอื่น ที่จะไม่ใช่อินินดีหรืออังกฤษเนี่ยจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาก่อนอย่างน้อย30นาทีค่ะเพื่อที่ที่ทางรัฐสภาเนี่ยจะได้จัดล่ามสดแปลไว้ให้สสยังสามารถเลือกที่จะรับฟังอภิปรายพินภาษาได้ภาษาใดก็ได้เช่นผ่านหูฟังหรืออุปกรณ์ที่มีปุ่มเลือกภาษาที่ติดตั้งไว้ในที่นั่งของแต่ละคนนะคะสภายินเดียมีล่ามแปลทั้งชายและหญิงประมาณ50คนทําหน้าที่แปลภาษาพูดของสสแบบสด อินเดียเคยมีการแช่แข็งการจ้างล่ามแปลในสภามาเป็นเวลา 2, สองทศวรรษแล้วก็เพิ่งจะมายกเลิกเมื่อ7ปีก่อนตอนนั้นรัฐบาลอินเดียต้องเผชิญหน้ากับการมองหาล่ามที่มีฝีมือเพื่อมารับมือกับการอภิปรายที่เข้มข้นคือถ้าแปลผิดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ลุกลามบานปลายได้นะคะเพราะพื้นที่ของอินเดียก็เยอะชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มคนหรือชาติผนธุออินเดียก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแปลผิดเนี่ยอาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้นะคะ หน้าที่แผนักล่าแปลภาษา อ, อินเดียคนหนึ่งบอกว่าการแปลภาษาในสภ า, าอินเดียถือเป็นงานหินค่ะคนที่เป็นล่ามเนี่ยต้องมีทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะมากกว่าความเข้าใจภาษาเพียงอย่างเดียวล่ามจะต้องนั่งแปลอยู่ในตู้ล่ามที่อยู่ในห้องประชุมต้องถูกสอนให้จดจ้องดูท่าทางและขยับการขยับริมฝี ป, ปากของคนพูดแล้วภาษาภาษาอินเดียถ้าพูดให้ภาษาชาวบ้านเข้าใจคือภาษาแขงเนี่ยเร็วและรัวมากเลยนะคะแม้ว่า แขกเองจะมาพูดภาษาอังกฤษนี่ก็จะต้องตั้งใจฟังแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยค่ะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะนอกจากนี้เนี่ยล่ามจะต้องถอดความแล้วก็แปลนเนื้อหาการประชุมทั้งหมดเป็นภาษาฮินดีแล้วก็ภาษาอังกฤษภายในเวลา90นาทีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเมื่อก่อนมีการกําหนดคุณสมบัติของอผู้แปลคนที่เป็นล่ามนะคะว่าจะต้องอจดสามารถจดชั่วเลขได้อย่างน้อยร60คําต่อ น, นาทีนะคะแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เครื่องอัดเสียงเนี่ยช่วยทุ่นแรง ล่ามเหล่านี้ให้ได้มากจริงๆนะคะมาดอูอิทธิพลของภาษาบ้างนะคะในสเปนเนี่ยมีภาษาราชการเพียงหนึ่งเดียวก็คือภาษาสเปนแม้ทางการจะมีการรับรองภาษาถิ่นมีสี่ภาษาก็คือกาลิเซียบาสกาลาตาและก็อารันก็พูดในแคว้นปกครองตนเองในภาษาราชการร่วมนะคะแต่ในสภาสสทุกคนต้องพูดภาษาสเปนค่ะใครที่พูดภาษาถิ่นหรือพื้นเมืองจะถูกเตือนโดยประธานสภ า, าทันทีนะคะส่วนในประเทศไทย ประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยเป็นภาษาประชจำชาติแล้วก็เป็นภาษาราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จันทิมาอังคพณิชกิจนะคะอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยแล้วก็ภาษาวัฒนธรรมตะวันออกคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีมุมมองในเชิงภาษาศาสตร์ว่าภาษาไทยก็คือภาษาถิ่นก็คือภาษาไทยและภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยกรุงเทพก็เป็นภาษาถิ่นภาษาหนึ่ง แต่ถูกยกสถานะให้เป็นภาษามาตรฐานแล้วก็จัดให้เป็นภาษาทางการและภาษาราชการนะคะโดยในเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายในสภายอินเดียหรือในแคนาดาที่มีการอนุญาตให้ใช้ภาษาถิ่นได้ก็เป็นเพราะว่าเขายอมรับในอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ที่มีการสื่อสารถ้าเกิดมีการใช้ภาษาถิ่นซึ่งมันฟังกันไม่ออกเลยอะค่ะคือภาษาถิ่นของอีกถิ่นหนึ่งจะมาพูดกับอีกถิ่นหนึ่งคือ มันต้องแปลให้เข้าใจตรงกันแต่ประเทศไทยเนี่ยภาษากลางคือภาษาไทยเนี่ยยังสามารถสื่อสารกันได้เพราะฉะนันอ า, อาจารย์ก็มองว่ า, าแง่มุมของ เ, อเจตนาในเรื่องของ การทําหน้าที่บทบาทสสสิ่งหลักคือการแก้ไขปัญหาประชาชนเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ตรงประเด็นแล้วก็ภาษาที่เข้าใจตรงกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการทําหน้าที่อันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์จากธรรมศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของภาษาถิ่นหรือภาษากลางไม่น่าจะใช่ปัญหาเพราะว่าภาษาไทยก็เป็นภาษาที่เราเองนั้นพูดแล้วก็เข้าใจสื่อสารตรงกันได้นะคะหมดเวลาสําหรับรายการเป็นเรื่องเป็นเรา ในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ทาง 89.5 นะคะรายการเป็นเรื่องเป็นราวดิฉันวัชรินคณชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18.30 นาทีทาง FM 89.5 เม z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 R M U T T Radio.